ได้กี่หาระแล้วเนาะได้กี่หาระแล้วเอามาหาระคืออะไรหาระคือหาระคืออะไรเนาะหาระคือวิธีกำจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ะนะก็คือเป็นวิธีที่ทำให้หายหลงอ่ะนะก็คือทำให้ฉลาดขึ้นละวิจิกิจฉา คือจะไม่เคลือบแคลงสงสัยในคำสอนที่พระองค์สอนและก็ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจเป็นอื่นในคำสอนก็จะไม่มีนผู้ที่กำหนดจดจำกฎเกณฑ์ของเนติ ป, ปกรณ์ไว้ได้เวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าใจผิดทำไมเพราะว่ า, เ, าเป็นกฎเกณฑ์ในการพิจารณาพระไตรปิฎกไม่ให้ผิดพุทธประสงค์นะว่า พระผู้มิพระภาคเจ้านั้นตรัตพระธรรมแต่ละหมวดแต่ละสูตรเป็นต้นเนี่ยมีพุทธประสงค์อย่างไรซึ่งก็ผ่านมาแล้ว5หาระหาระที่หนึ่งวิธีกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดที่หนึ่งก็คือเทศนาหาระหลักการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าคือ ว, วิธีที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมก็แสดงธรรมหลักใหญ่ๆกว้างๆมีอยู่6อย่างด้วยกันหนึ่งประกาศอะไร อาสาธะส อ, อาทีนวะ 3. นิสรณะ 4. ผล5อุบาย6กอนัตเนี่ยนะประการเนี่ยเป็นหลักคําสอนที่พระ อ, องค์สอนอาสาธะคือสัจจะอะไรสมุทัยสัจจะอาทีนวะคื อ, าา ท, อทุกขสัจจะนิสรณะคือนิโรสัจจะกับมรรคสัจจะผลหลักการสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนอริยสัจนั่นเองประกาศอริยสัจ การประกาศอริยศัสตร์พระองค์ก็แสดงผลว่าผลของการบรรลุอริยศัสตร์คืออะไรหรือผลแห่งเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคืออะไรแล้วอุบายที่จะทำให้บรรลุผลนั้นอ่ะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าบอกผลก็แล้วชี้แจงแสดงบอกทุกอย่างแล้วไม่เอาตามทำไงอ น, นัทสั่งอย่างเดียวเนี่บอกว่าถ้าสั่งแล้วยังไม่ได้ฆ่าทิ้ง นนะก็บอกว่าการไม่บอกไม่สอนการเลือกบอกนั่นแหละเรียกว่าการฆ่าในวินันของพระอริยเจ้ามันเลไปลงไม้ลงมือลงศาสตร์อะไรที่ไหนรอกก็คือพูดง่ายๆว่าเธออยากทำอะไรเธอก็ทำก็แล้วกัน น, นนะอันนี้คือการฆ่าแล้วนะในาศาสนานี้บอกอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนนะไม่ต้องปรึกษาแล้วว่างน้ น, น, นนะก็เราฆ่าเขาด้วยเราถูกฆ่าด้วย หลายคนเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกบอกเลิกสอนเราเหมือนกันกพราว่ายากสอนยากเขาว่างั้นเราก็ว่าอย่างนี้กับอีกหลายคนเหมือนกันก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วคนนี้ทีนี้หาระที่สองวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ในยะที่สองเรียกวิจัยหาระก็คือการวิจัยวิจัยในที่นี้ก็คือวิจัยพุทธพจน์นั่นเองวิจัยว่าบทเป็นอย่างไร นะพวกเรียนบาลีมาก็ไม่น่ามีปัญหานักนะนะวิจัยบทซึ่งหลักการวิจัยบทเนี่ยนะถ้าเอาตามแนวบาลีวยากรมาจับนี่ก็670ประสกว่าสูตรเฉพาะวิจัยบทเนี่ยนะตามตามหลักบาลีวยากรเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่โตอีกเรื่องหนึ่งเลยแหละแต่ของเรานี่ก็คำแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วก็มาวิเคราะห์แต่ละคำแต่ละคาไปวิจัยบททีนี้บททั้งหลายก็เป็นบทคาถามกับบทคาตอบ เรากาปุชขาวิสัชนาะเพราะคําสอนในพระไตรปิฎกนะถ้าจะว่าไปก็คือคําถามกับคําตอบนั่นเองเช่นคําถามคืออะไรคําถามก็มีตัวอย่างใหญ่ ใ, หญในพระไตรปิฎกก็คือกเทตุกรร ม, มยตาปุชขาถามเพื่อจะตอบเองใช่ไหมเช่นกุศลเป็นชนะไหนอากุศลเป็นชนะไหนอภพยะคตะเป็นชนะไหนพวกนี้เรียกว่ากเทตุกรร ม, มยตาปุชขาบางทีก็เป็นอนุมติปุชขาใช่ไหมถามเพื่อการอนุมัตรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่ที่ยังเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าถามเพื่ออนุมัติอันลักษณะโดยมากคําถามที่เป็นพระพุทธเจ้าถามจะอยู่สองประการคืออนุมติปุจฉะอนุมัติปุจฉาก็คือถามเพื่อการอนุมัติอย่างหนึ่งกับถามเพื่อจะแสดงเองในอย่างหนึ่งส่วนผู้อื่นถามก็ถามด้วยความสงสัยเป็นต้นก็วิจัยว่าเออเนี่ยประโยคนี้เป็นคําถามหรือคําตอบถ้าเห็นคําถามจะต้องมีคําตอบ แต่บางอย่างนะการไม่ตอบก็คือตอบเหมือนกันนิ่งเฉยเฉยไม่ต้องครอมไม่ไม่ตอบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตอบเลยนะที่เขาถามาาพระพุทธเจ้าถามแล้ว อ, อ, อัตมาก็ตอบแล้วทีนี้ก็ถ้ามีถ้าเห็นคำเห็นประโยคใดประโยคหนึ่งปั๊บเนี่ยให้รู้ว่าต้องตั้งคําถามดูว่าจะต้องเป็นคําถามทุกอย่างเลยนะพุทธพจน์ทุกอย่างต้องไม่อยู่ในคําถามก็คําตอบแม้กระทั่งอะไรนะ มีประโยคสั้นๆประโยคอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ที่เขาเขียนขึ้นเนี่ยที่เป็นลักษณะคำตอบอนะอันนั่นก็มาจากคาถามนะทุกอย่างก็เป็นคำถามกับคำตอบและที่สำคัญมากใครที่เจริญกรรมฐานเป็นเนี่ยนะคือคนที่ตั้งคำถามเป็นโดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าที่เจริญวิปัสสนาตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ตั้งเป็นคำถามนะท่านถามว่าอะไรนเป็นอาสาธาอาทีนวานิสรณะของมหาพุทธ อะไรเนาะเป็นอ ส, สาธาอาทีนวะนิสรณะของรูปประขันเป็นต้นของขันธ์ห้าอะไรเนาเป็นอ ส, สาธาอาทีนวะนิสรณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นอสาธาอาทีนวะนิสรณะของรูปเสียงเป็นรสโพธพภะท่านก็ตั้งคําถามเมื่อตั้งตั้งคําถามอย่างนี้ท่านก็วิเคราะห์วิจัยไปทั้นบทปุชานี่ก็นัว่าเป็นบทที่สําคัญใครจเจริญคำถามอ่าใครตั้งคําถามเป็นคนนั้นก็จเจริญในสิ่งนั้นนั้นเป็นเช่น ใครตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้ามากคนนั้นเจริญพุทธานุสติเป็นใครตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความตายมากคนนั้นก็เจริญมรณานุสติเป็นมันคำถามนี่สำคัญมากและแม้กระทั่งคัมภี์ทั้งหลายเนี่ยนะคำพีทั้งหลายที่ท่านเรียบเรียงขึ้น เ, เช่นวิสุทธิมัติก็คือการตอบคําถามนั่นเองเช่นอะไรคือศินสิ น, สนมีลักษณะอย่างไรรักษาปัจจุประธานะประทาาัดฐ า, านะเป็นต้นเนี่ยก็คือการตอบคําถามวิธีอธิบายก็คือการตอบคําถาม นัปุจชากับวิสัชนาในสําคัญมากก็ต้องดูว่าบทนี้เป็นบทปุจชาหรือเป็นบทวิสัชนาคําปุจชากับคําวิสัชนาเนี่ยนะปุภาประนุสันที่ก็คือต้องบทหน้ากับบทหลังเนี่ยต้องต่อกันใช่ไหมไม่ใช่ถามถามมงังมังคือตอเป็นมงกุฎไม่ใช่ใช่ไหมคาถามกับคําตอบมันต้องตรงกันไ ม, ไม่ใช่ม้วนิ่มเหม ก, ก็คือตอบอันนั้นเรียกว่า ลักษณะคำถามยังไงลักษณะคำตอบมันก็ต้องสมควรแก่คำถามนะไม่ใช่ถามเรื่องหนึ่งไปตอบเรื่องหนึ่งในพระเจ้าาชาสตรูกล่าวถึงพวกครูทั้งหกบอกข้าพระเจ้าถามขนุนขนุนถามมะม่วงไปตอบขนุนสมลัลลอยถามเรื่องขนุนสมลัลลอไปตอบเรื่องมะม่วงไม่เข้ากันเลยนะนันไอ้คําำหน้ากับคำหลังต้องสัมพันธ์กัน ถามว่าทั้งบทปุจชาวิสัชนาะคําหน้าคําหลังที่สัมพันธ์กันอันนั้นเนี่ยอธิบายอะไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องอา ส, สาธ่นั่นแหละอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตเพราะสิ่งเหล่านี้คือคือบทที่ต้องเอามาตั้งเป็นคําถามกับคําตอบเดีแแ๋แล้วต้องสัมพันธ์กันในคําหน้าคําหลังสุดท้ายอนุคีตินี่ยก็สำคัญใช่ไหมความสมควรต้องไม่ขัดแย้งกับพระพุทธพจน์ในที่อื่นๆทั้งหมด การตีความพระพุทธพจน์ก็ตีเถอะแต่สิ่งสาคัญก็คือบอกว่าต้องไม่ขัดกับพระพุทธพจน์เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เดียวพระองค์จะไม่เทศขัดกันเองนะภาษาแรกแตรัสรู้อย่างไรราษาก่อนปรินิพานก็มีทิศทางเดียวเสมอไม่มีการขัดแย้งกันเองถ้าตรงไหนถ้ามันขัดแย้งกันก็แสดงว่าคงคงมีปัญหาหรือเข้าใจอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งจึงก็เหมือนกับรถยนต์นะสมมติว่าใครเคยเป็นสมัครมือช่างสมัครเล่นมัง่ง ก็ถอดน็อตถอดถอดเสร็จก็มากองรวมนี้ใส่น็อตเหลือเนี่ยมันแปลว่าอะไรช่างก็ทําเกินหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้คือความผิดพลาดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็มาสังเกตดูอันนี้คือเราเอามาวิจัยนะวิจัยทั้ง11ในดังกล่าวไปมีวิจัยบทหนึ่งะวิจัยบท2วิจัยปวดขาสวิจัยวิสัชนาสี่วิจัยบทหน้าคำหน้าคำหลังแล้วก็หวิจัยอาศทะห จ็อาทีนวะเจนิสรณะ8ผลอุบาย9อุบาย10อ น, นัต11อนุคีติเนี่ยนะความสมควรอันนี้เรียก ว, วิจยะหาระทีนี้เมื่อวิจัยได้หมดเนี่ยนะที่สำคัญตามมาก็คืออะไรยุติหาระหาความสมควรหาข้อยุติว่าพระพุทธพจน์เนี่ยอะไรมีอะไรเป็นข้อยุติ พราะทุกคนก็บทที่กล่าวไปนะทุกคนก็มีที่อ้างทั้งนั้นเลยใช่ไหมมีที่อ้างเมื่อมีที่อ้างปั๊บอย่างนี้ต้องหาข้อยุติทีนี้ยุตินี้มีอยู่สองอย่างคือยุติโดยอัถะกับยุติโดยพยัญชนะยุติโดยพยัญชนะก็คือตามกินติสูตรกินติสูตรใช่ไหมอันนั้เรียกว่ายุติโดยตามพยัญชนะก็พันใครพูดอะไรมาก็มาเทียบเคียงดูก่อนอันนั้เข้ากันไหมผิดกันไหม มันตามกินติสูตรนั่นแหละก็เรียกว่ายุติโดยพยัญชนะนนะก็คือใครพูดอะไรมาก็อย่าเพิ่งคัดค้านเอาไปเช็คดูก่อนไปตรวจดูก่อนซึ่งสมัยใหม่ไม่ค่อยยากใช่ไหมสมัยใหม่เนี่ยสะดวกมากพูดที่ไหนก็เอาเทพมาแล้วก็เปิดเทียบก็ได้อย่างไงหรือไม่ก็เอาถ่ายเอกสารมาก็มาจับมาชนชนดูก็ได้ไม่เห็นยากเลยง่ายมากสมัยนี้ยุติสับทยุติไม่ยากที่สําคัญก็คืออัตทยุติอัตทยุตินี่คืออะไรก็ดูว่าคําสอนทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นพระวินัยเนี่ย อะไรเป็นข้อยุติถ้าสูตรมีอะไรเป็นข้อยุติพระพิธรรมพระพระวินัยเนี่ยมีอะไรเป็นข้อยุติเรียก mm hmm. ว่าอะไรนะจัดลงในในถ้าสูตรแสดงแสดงนะับในแสดงไว้ในวินยัยใสไว้ในธรรมดานไนะจัดลงในพระสูตรคืออริยสัจเหนไนะสิ่งทั้งหมดนั้นเข้ากฎเกณฑ์อริยสัจไหมเป็นไปตามหลักอริยสัจไหมเห mm hmm. ็นไหม เขาบอกว่าคาพูดใดนะมันถึงจะมากมายขนาดใดก็ตามถ้าไม่เป็นไปเพื่อแทงตลอดอารยศัตร์นะคำนั้นไม่มีประโยชน์แม้แต่หน่อยเดียวถึงจะมีประโยชน์มีบทมากขนาดไหนนะถ้าไม่เป็นไปเพื่อตรัสรวอริยศัตร์คำนั้นไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเหมือนใบไม้แห้งๆเก่าๆเนี่ยนะถึงจะมากปานใดก็เอามาปูนอนได้ไหมก็ค่อนข้างยา ก, ก น, นะถ้ายิ่งใบเต่าร้างด้วยก็น่นากลัวเลยแหละ เสรแล้วใส่ไว้ในธรรมดาเอ่อขอไปแสดงไว้ในวินยัยแสดงในพระวินัยคือกําจัดวินัยแปลว่ากําจัดใช่ไหมกำจัดราคะได้ไหมกําจัดโทสะได้ไหมกําจัดโมหะได้ไหมมันอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจสอบอย่างหนึ่งว่าถ้ามีการฟังทำปฏิบัติธรรมนะดูว่ากิเลสลดลงไหมถ้ากิเลสไม่ลดลงไม่น่าใช่อ่ะนะกุศลธรรมทั้งหลายไม่ลดลงไม่ใช่อนะกุศลธรรมไม่เจริญขึ้นอีกก็ไม่ใช่ แสดงว่าสื่อนี่ใส่ไว้ในธรรมดาก็คือปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนั่นแหละนะก็โดยเฉพาะเน้นสมุทัยสัจกับทุกขสัจที่เป็นไปถ้ากล่าวทุกขสมุทัยมรรคกับนิโรธก็ชื่อว่าแสดงแล้วเพราะฉะนั้นก็ใส่ไว้ในอริยสัจอีกนั่นแหละอันนี้เรียกว่าความยุติ น, นี้ก็ยุติก็มีหลายอย่างยุติเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานเป็นต้น เพราะว่ารวมๆแล้วยุติเกี่ยวกับพยัญชนะเกี่ยวกับอัถะแล้วก็กับเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเอาอะไรเป็นข้อยุติเช่นรักษาศีลเนี่ยเอาอะไรเป็นข้อยุติเจริญสมถาวิปัสสนามีอะไรเป็นข้อยุติเนี่ยนะการปฏิบัติธรรมแม่ชั้นสูงเจริญพรหมวิหารเป็นต้นมีอะไรเป็นข้อยุติว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมซึ่งหลักการอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรอบครอบใช่ไหม ปกตินะถ้อยคำเหล่านี้ผู้ใหญ่ทั้งหลายเวลาเขาจะให้อวาธเด็กๆนะเขาจะเอาหลักการประเภทนี้ไปสอนใช่พิจารณาเอานะความสมควรไม่สมควรนะนะดูเอาเหตุดูเอาผลนะนะเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นอวาทผู้ใหญ่เขาชอบให้เด็กๆ ก, นะกันนะก็ใครผู้ใหญ่ไม่เคยให้โอวาทนี้เลยหรือใงั้น ห, <c oughs> หาข้อยุติให้ได้นะแสดงในที่ไหน คือหลักการใหญ่ๆเนี่ยนะการแสดงธรรมก็ตามการกล่าวธรรมก็ตามผู้แสดงหรือผู้ฟังก็ตามฟังแล้วต้องเห็นเป็นอริยสัจฟังแล้วก็กําจัดบาปอากุศลได้จริงมองแล้วมีปัญญาเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ถ้าอย่างนั้นก็สําเร็จวัตถุประสงค์ของคําสอนเนี่ยนะก็ดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทั้งเมื่อก่อนทั้งบัดนี้เราแต่เราก็กล่าวแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น นนะทุกก็คือทุกขาริยสัตย์ใช่ไหมถ้ากล่าวทุก์สมุทัยก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวความดับทุกข์คือนิโรธสัจจะมัคคสัจจะก็เป็นอันกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นทั้งเมื่อก่อนทั้งบัดนี้หรืออีกต่อไปก็ตามก็กล่าวแต่ทุกขกับความดับทุกข์ก็คือประกาศแต่อริยสัตย์เท่านั้นเองนี่การประกาศอริยสัตย์ถ้าตามอลัลคัตูปมาสูตรก็มีบางพวกเห็นด้วยบางพวกก็ไม่เห็นด้วยนะ่นเอ ก็พวกพี่ยินดีในมหาพูดเป็นต้นก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วใช่ไหมก็อย่าลืมว่าหลักการใหญ่ๆก็คือเรื่องคำพูดพูดเพื่อจะให้ทานคนตนีเนี่ยเกลียดที่สุดเลยเอ้นี่พูดไปพูดมามันจะชั้นจะเสียเงินอีกแล้วนะเนี่ยพวกคนตนีเดือดร้อนมากเลยนะถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องทานน ก, กทานเนี่ยนะคำพูดปรารบเรื่องศีล คนทู่สีนี้เกลียดที่สุดเลยอ่ะมันฟังแล้วไม่สนุกเราเลยกระถาไหนที่ฟังแล้วเดือดร้อนใจเงือแตกด้วยนะประเภทนั้นแสดงว่าคําชั่วสําหรับคนนั้นหรือคําพูดปรารบเรื่องเรียนเรื่องศึกษานะคนไม่ชอบเรียนเกลียดมากอย่าไปพูดในหะ้เขาได้ยินบ่อยนะเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องคําพูดปรารบปัญญาก็เหมือนกันคนไม่ฉลาดไม่ชอบคิดคนที่ปัญญาไม่มากเนี่ยนะ ชอบฟังเลยนะปรารบปัญญาคาถาเพราะฉะนั้นถ้อยคําปารบทานปราบนปรบศีลปลารบการศึกษาสุตตะหรือปรารบปัญญาก็เหมือนกันนะพวกถ้อยคําพวกนี้ก็ต้องหาที่ที่กล่าวให้ดีๆพวกที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือชอบไปพูดให้คนที่มันตรงกันข้ามฟังหมดเลยชอบล่วงละเมิดกฎอันนี้ขึ้นเช่นไปชวนคนต่หนี่ให้ทานอย่างเงี้ยนะมันจะสําเร็จได้ไง่ายๆยังไง พราั้นก็ได้ศัตรูเพิ่มมาอีกด่างหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังคุยกันดีๆอยู่นะตอนหลังก็ชวนให้ทานเลยได้ศัตรูละคนหนึ่งเห็นคนนั้นทูศีลเออศีลไม่ดีเราต้องไปเทศเรื่องศีลซะหน่อยก็ได้ศัตรูมาอีกทีหนึ่งเอ๊ะคนนั้นทําไมเขาไม่เรียนไม่ฟังเลยนะต้องชวนเขาไปฟังไปเรียนอ่าได้ศัตรูเพิ่มอีกอันนึงมันต้องใช้ปัญญานะแกอยู่งโง่ๆได้ยังไงมันต้องใช้ความคิดเป็นนะก็ได้ศัตรูเพิ่มอีกคนหนึ่งหนักๆเข้าก็อยู่ตัวคนเดียวนั่นแหละ ดีแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องวิเวกกายวิเวกไม่ใช่ติพอเหงาว่าเวก็เลยหมดพวกหมดฟูงแล้วคันนี้ก็เลยไปเข้ากับพวกเลยคันนี้ทิ้งของตัวเองเลย <g ay av et> ทิ้งธรรมก็เลยไปเอากระเข้าหมดเลยกันนี้แล้วก็ผู้ศึกษาธรรมะเท่าที่รู้จักส่วนใหญ่แล้วชอบละเมิดกฎอันนี้หาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ก็เลยศัตรูมากขึ้นอะไรมากขึ้นไม่รู้ใครคุยไม่รู้เรื่องกันแน่ก็ไม่รู้ เราจะฉลาดอยู่คนเดียวนะใครไม่ฟังมันไม่ฉลาดเท่าเราอยู่นั่นแหละและการศึกษาเนี่ยนะข้อยุตินี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากจะทําอะไรก็ตามหาข้อยุติเนี่ยนะให้เป็นไปตามถธรรมคําสอนแล้วเราก็จะชีวิตที่อยู่ภาสุกเทศนาวิจโยยุติปทัฏฐานโจนจรคโนเนี่ยนะมาดูปทัฏฐานอาหารปรัฏฐานะคือพูดถึงเหตุใกล้ของทุกอย่าง ทุกอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยนะต้องมีเหตุใกล้หมดเลยนะก็เปรียบเหมือนง่ายๆว่าถ้าคนนั้นนั่งตรงนั้นเนี่ยเขามีอะไรใกล้ๆ ก, ก, กันมีอะไรอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังเป็นต้นเนี่ยอันนี้ต้องฝึกคิดลักษณะนี้หรือแม้ถ้าจะกล่าวตามคำสอนของเราเนี่ยคำสอนของเราถ้าแบ่งไปแล้วเนี่ยมีสองลักษณะด้วยกันย่อๆเลยนะคือวัตตะกับวิวัตตะวัตตะคือโลกิยะวิวัตตะก็คือ โลกุตระทีนี้มาดูว่าวัตตะเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรเป็นเหตุเป็นตัจใจก็มาวิเคราะห์ต่อไปนีนะอะไรเป็นเหตุใกล้ของวัตตะเช่นอะไรเป็นเหตุใกล้ของอวิชชาอะไรเป็นเหตุใกล้ของสังขารอะไรเป็นเหตุใกล้ของวิญญาณอะไรเป็นเหตุใกล้ของนามรูปเป็นต้นเนนะการที่หมั่นวิเคราะห์พ <No> ิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าพิจารณาเหตุใกล้ของวัตตะก็คือลักษณะปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ การหาเหตุใกล้เนีเราก็ไม่ต้องไปค้นหาเองหรอกพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หมดแล้วเนี่นะทรงจำพระพุทธพจน์เหล่านั้นได้ก็พอที่จะมองเห็นได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่สอนธรรมะประเภทให้คนตาบอดไปคลาหารูปหรอกเพราะคำสอนนี่เป็นสอนจุดประทีปให้คนตาบาะคนตามตาดีเนี่ยมองเห็นแสงสว่างได้เออมองเห็นสีได้ส่องประทีปให้เห็นเพรา ะ, ะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวคลาหาหรอก คนบางทีก็ชอบใช้ปัญญาของตัวเองเลยนะเข้าไปวิจัยก็เลยเป็นที่มาของยุติหาระไม่ค่อยดีเนี่ยนะไปเสียหายุติหาระโ น, น้นนี้ต่อไปนะว่าประทัดฐานของวิวัตะเช่นศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นอนิสงฆ์เนี่ยนะคือการพิจารณาประทัดฐานน า, าระเนี่ยเรียกว่าพิจารณาขึ้นกับพิจารณาลงใครทรงจําพระสูตรเช่นอวิชชาสูตรตันหาสูตรเอาไว้ได้ก็รับประโยชน์ไม่ใช่น้อย นนะเพราะลักษณะของอวตตหาระขออภัยประฐานนาหาร ะ, าร ะ, าาระก็คือพวกอวิชาสูตรตันหาสูตรอุปนิสาสูตรเนี่ยประเภทสูตรประเภทนี้แหละเป็นพวกลักษณะที่แสดงเป็นประฐานนาหาระปฏิจจสมุปบาทก็เป็นประธานนาหาระทั้งวัตตวิวัตตา น, นั้นชัดเลยนันะและก็เหตุใกล้นี่สําคัญมากหรือใครที่พิจรารณารูปน้ำขันห้าก็อย่าลืมนะเหตุใกล้ใช่ไหมประธานฐานของสิ่งนั้นๆ เช่นอะไรเป็นพระธาตุฐานของอวิชชาอะไรเป็นประธาฐานของรูปขันธ์อะไรเป็นประธฐานของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อะไรเป็นประธาตฐานของวิญญาณขันธ์อะไรเป็นประธาฐานของจักขุธาตุเป็นต้นนั้นการหมั่นวิเคราะห์ถึงเหตุใกล้ของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะวิจาย์หาระต้องดีใครที่จะประธาตฐานหาระต้องไม่ลืมวิจาย์หาระคือตั้งคําถามเป็น อันนี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้อันนี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็อันที่จริงของเราเนะี่ยหลายท่านในที่นี้เนี่ยนะเป็นคนมีอัธยาศัยชอบประทัดฐานน า, าราอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องซื้อของอันนี้เท่าไหรอันนี้มายังไงมันดียังไงนะโอ้โหซักฟอกต่อรองกันนะ่าดูเลยนะคือลักษณะนั้นนะ่ะก็คืออัธยาศัยนี้ก็ไม่เบากันนะนั่นก็เอามาเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นธรรมะซะนั่นแหละ ก็จะได้สอบสวนเรื่องเราไปมาเป็นยังไงอะไรยังไงนั่นเองในพอพูดถึงประฐานาหาระเนี่ยสาวไปสาวมาบางคนเนี่ยสาวไปสาวมาเอ๊ะทาไมรำมาเหมือนกับขาดหุ่นหุ่นแสดงไม่จบหรือยังไงนะแสดงไม่หมดหรือยังไงอันนี้ลักขณะหาระพระตะกล่าวอันหนึ่งอันที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนะนะเพราะว่าในเวลาจํากัดโอกาสจํากัดจะไปพูดวิจิตพิสดารเท่ า, าพิธรรมเจ็ดคำพีนี่คงคงเหลือแต่คนสแสดงอะนะ ก็เหลือคนรอปิดประตูอีกคนหนึ่ง <c oughs> ก็มันก็มีอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นลักขณะฮาระเนี่ยก็แล้วก็พระธรรมส่วนใหญ่ก็คือแสดงแต่โดยสังเขปท่านบอกว่าแม้คำภีร์มหาปฐานเนี่ยถ้ากล่าวตามพระพุทธเจ้าพระองค์เขาบอกนั่นก็ยังแสดงโดยสังเขปอยู่ดีถ้าสังเขปสําหรับพระพุทธเจ้านะถามมาทัพิสดานของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยชาวนะของพระองค์เล่นขนาดไหน แน่นมากใช่ไหมชั่วแวบหนึ่งเนี่ยคิดได้กี่เรื่องล่ะง่ายๆว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยชั่วหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยราลิกได้91ก้าบอย่าลัังไก็ลองดูว่าถ้าไอ้ชั่วระยะเวลาเนี่ยเจวันเนี่ยถ้าคิดปัฏฐานควรจะได้เท่าไหร่ไม่หลับนะมีแต่ตื่นอยู่ตลอดเนี่ยพิจารณาเรื่องปัฏฐานเนี่ยโอ้จะกว้างขวางขนาดไหนในยะเป็นอนันต์ในไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าพิจารณาจนรัศมีออกเลยแหละถ้าของเราเนี่ยคิดมากๆอะไรออก เขาบอกว่าบางคนต้องหาผ้าเย็นๆมาโปะหัวเขาไว้มันร้อนเผาไปหมดเลยนะแล้ก็อันนั้นเพราะไม่มีสมาธิสมาธิสีไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องลัคนาหาระนี่ช่วยทําให้เข้าใจพระธรรมตั้งมากเพราะว่าในที่เดียวกันเนี่ยไม่สามารถแสดงได้หมดแสดงโดยสิ้นเชิงได้นะเหมือนชี้ให้ดีให้ดูทะเลใครจะไปชี้ได้หมดชี้ให้ดูท้องฟ้าเนี่ยใครชี้ให้ดูได้หมดบ้างเนี่ย ใครชี้บ้านเนี่ยนะสมมติว่าเออนี่บ้านของคนนี้เนี่ยต้องมาเดินรอบจึงจะชี้มองเห็นทั้งหมดไหมไม่ได้เพราะามันจะไปมีเวลาที่ไหนดูทุกซอกทุกมุมชี้ให้ดูตั้งแต่ข้างบนข้างล่างมองจากข้างล่างขึ้นนี่ลำบากมากเพราะฉะนั้นก็ชี้ให้ดูแต่บางส่วนก็พอการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าแสดงอย่างหนึ่งอย่างที่เหลือก็เชื่อว่าแสดงแล้วเช่นถ้าที่ใดบางแห่งก็บอกว่า ถ้ากล่าวถึงทุกขาริยาสัตว์ที่ใดที่นั่นสมุทยัยมรคนิโรธก็ชื่อว่าแสดงแล้วนั่นก็ให้รู้กันลักษณะนี้นะบาง ท, ทีเรียกว่ารู้กันนี่มันไม่ค่อยจะรู้กันเนี่ยลำบากมากก็พยายามแค่สำนวนเรียกว่ารู้กันใช่ไหมคาสอนของพระ อ, องค์นี่ก็อันนี้ส่วนนี้สําคัญมากเลยนะเพราบางท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเหมือนกับไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหม นั่นคือคือไม่เข้าใจลักคณะหาระจะจจาวกล่าวคําประเภทนี้ค่อนข้างบ่อยก็เหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยน่าจะเพิ่มเฮ้ยตรงนี้น่าจะต่อตรงนั้นไม่น่าควรมีเราก็จะเริ่มไปตัดต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสูตรนั้นเนี่ยสมัยพุทธกาลเขาฟังแล้วบรรลุเราฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราก็เลยอยากจะตัดต่อพุทธพจน์ใหม่เนี่ยเราเขาเพราไม่ยังไม่ค่อยจะรู้อีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าต้องการจะตัดต่อพุทธพจน์ใหม่อันนี้ก็ลําบากมาก ก็หมักหนักเข้าก็สัตยธรรมปฏิรูปเพราะว่าหลายๆคนมองว่าถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สวากขาโตเชื่อไหมหลายหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นพระธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้ไม่ดีมันต้องอธิบายใหม่มันจะต้องใหม่อะไรใหม่เป็นต้นที่มาของสัตธรรมปฏิรูปเนี่ยที่มาของสัตธรรมปฏิรูปเพราะทุกคนก็อยากจะอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้มันเข้าใจง่ายง่ายขึ้นไหมล่ะ จะย่อพรหมโลกให้มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะมันทำยังไงเนี่ยนะตัดช่องว่างออกซะเอาอากาศออกให้พรหมโลกกับมนุษย์มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะทำได้ไหมไม่ได้หรอกคําสอนที่ลึกซึ้งก็คือความลึกซึ้งเนี่ยนะที่ที่เราจะต้องสมาทานอธิธฐานที่จะฟังที่จะเรียนพระพุทธเจ้าให้สมาทานสุตะนีให้สมาทานประพฤติสุตตะนั้นลัคนาฮาระนี่ช่วยทําให้เกี่ยวกับเรื่อง ฟังคำสอนเนี่ยเราจะกล้าคิดเองเองบ้างไม่งั้นเราก็ไม่กล้าคิดเพราะบางคนเนี่ยจะหยิบอยู่แค่พยัญชนะไปหลายแห่งไปสนทนาธรรมกับผู้ที่อ่านพระไตปิโดยที่ไม่ได้เรียนหระมาเนี่ยนะไม่ได้เรียนเนติ ป, ปกรณมาเนี่ยคำพูดเขาเนี่ยคับแคบมากแต่ก็มีบางพวกที่ไม่ได้เรียนลักษณะหาลอีกอันนั้นก็กว้างกว้างเกินอีกกว้างจนเสียหายอีกก็มีถูกมด ใช้ได้หมดดีหมดอันนี้ถ้าไม่ได้เรียนเนติประกรณ์มาจะเป็นอย่างนั้นไอ้พวกแคบก็แคบจริงๆไอ้พวกกว้างก็จนเอาเป็นการเป็นงานไม่ได้นั้นก็นี่แหลกว่าความพอดีการเชื่อมโยงให้เป็นเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดเลยในการศึกษาคําสอนโดยเฉพาะผู้ที่คิดว่าฉันเนี่ยเข้าใจพระธรรมแล้วฉันจะต้องสงเคราะห์คนอื่นด้วยพวกเหล่านี้จะต้องอการที่มีกรุณาต่อผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดี แต่การระวังที่ไม่ทำให้คำสอนเสียหายเป็นสิ่งที่พึงระวังเพราะบุญกับบาปก็อยู่ ใ, น ใ, น ใ, นในกล้ๆกันนะน่ไม่งั้นเราก็จะปฏิเสธคำสอนถ้าปฏิเสธคำสอนในปฐมปัชชุณะทีตุสูตรสังยุตตนิกายสขาทวักกล่าวถึงว่าที่ดาที่ดาของเท้าปัจชุณะ คือเป็นเทวดาเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุธรรมก็มากล่าวธรรมใกล้ๆกับพระพุทธเจ้ามีอยู่ตอนหนึ่งว่าผู้ใดคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระองค์เนี่ยแสดงไม่ดีอย่างหนึ่งหรือกล่าวว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์สอนเนี่ยปฏิบัติตามแล้วไม่พ้นทุกข์อย่างหนึ่งก็ทั้นผู้ใดคัดค้านคาสอนของพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นก็เข้าถึงก็ ไม่พ้นอบายอยู่แล้วนะก็นรกนั่นแหละนั่นก็ไม่พน้นอเวจีนรกทนก็ระวังระวังานบุญกับบาปก็อยู่ใกล้ๆกล้ันแต่ทีนี้ถ้าหากวาา่าเกิดการผิดพลาดขึ้นาศาสนาของเราสอนว่ายังไงการเห็นโทษโดยความเป็นโทษสำรวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้สมัยพุทธกาลก็มีหลายท่านที่กล่าวธรรมเนี่ยผิดเช่นพระอนุราธเนี่ยก็สแสดงผิด หรือแม้กระทั่งพระสมมิทธิที่ก็กล่าวผิดแต่ตอนหลังท่านเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในอัตตาสัมมาปณิทิก็บรรลุมรักผลนะท่านเหล่านั้นเป็นผู้บรรลุมรักผลเช่นพระอนุราธาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีพวกเบลธีก็ถามว่าถ้าตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบัญญัติเนี่ยถ้าบัญญัติเรื่องศัตว์ว่าศาตร์ตายแล้วเกิดอีก สัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เป็นต้นน่ยถ้าพระพุทธเจ้าจะบัญญัติบัญญัติอย่างนี้ใช่ไหมก็บอกไม่ใช่อย่างนี้พระองค์จะไปต้องบัญญัติอย่างอื่นซึ่งคนตอบก็ตอบอยู่บนรัที่อัตตาเหมือนกันก็ตอบอยู่ในรัฐที่ผิดผิดแม้กระทั่งพระสมิทธิที่เป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันแต่แต่ท่านเหล่านั้นก็ในที่สุดก็ตั้งอยู่ในความสังวรความสำรวมระวังต่อไปเพราะนั้นศาสนานี้ความเจริญที่สุดก็คือการ สังวรพอองศ์จึงชื่นชมผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษและถึงความสังวรสำรวมระวังต่อไปอย่าลืมว่าเราทั้งหลายเนี่ยผู้อยู่ในห่วงแห่งอวิชชาเนี่ยนะห่วงแห่งอวิชชามีอวิชชาเป็นเครื่องกางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นในโลกของปุถุชนเนี่ยจึงน่ากลัวมากมากเนี่ยนะลนเนี่ยมีอยู่สามนิ้วเนี่ยไม่รู้จะตวัดไปท้าอะไรพูดไปพูดมาก็ เดือดร้อนอีกจนได้ถึงไม่พูดเรื่องหนึ่งมันก็ไปพูดอีกเรื่องหนึ่งนะพูดไปพูดมาจนเครียดเองนั่นแหละเคยบ่อยไหมวันนี้พูดแล้วตัวเองมาเดือดร้อนใจมีบ่อยไหมบางคนพูดเสร็จนะัคืนนั้นนอนไม่หลับเลยนะีอันนี้ก็มีไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนั้นการสังเวียปิดกัน้นห้ามบาปเป็นความเจริญที่สุดในอริยะวินัยนี้เนะนี่ยนั้นแล้วก็ยังต้องไม่ลืมคําอยู่คำหนึ่งนะว่า ชาดกนะมาบางทีก็ชอบชาดกเหมือนกันโดยเฉพาะเนี่ยเสรีวะชาดกเนี่ยนะอันนี้โปรดปรานมากชอบคาถาที่บอกว่าถ้าท่านพลาดสัมมตานิยามในาศาสนานี้แล้วท่านจะเดือดร้อนในภายหลังเหมือนพ่อค้าที่ชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นคือหมายถาว่าถ้าหากว่าท่านพลาดไตรศิกขาไตรศิกขาที่เป็นปัจจัยแห่งการบรรลุอรยิยมรรค ถ, ถ้าท่านพลาดจากอริยมรรคแล้วเนี่ยนะท่านจะต้องเดือดร้อนใจแน่คานี้ไม่ใช่คํำขู่เลยทำเป็นเมื่อก่อนนะเหมือนกับว่าถ้าเป็นแบบทั่วๆไปก็คือคําเรียกร้องความสนใจแต่คํานี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่เป็นอย่างนั้นแต่ตรัสด้วยกรุณากรุณาจริงๆก็คือถามว่าถ้าเราพลาดแล้วนะพลาดจากาศาสนาของพระพุทธเจ้าพลาดจากไตรเิกขาพลาดจากอาริยมรรคพบหน้าเราควรจะเป็นอะไร ดีไม่ดีนะถ้าพูดให้เต็มด้วยฉันอาจจะเสียใจกว่าพ่อค้าที่ชื่อว่าเสรีวะก็ได้เนี่ยนะพราะไปอบายครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยนะ